ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่หนึ่งการที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาขอบันประชา ค, ครั้งนี้ก็ด้วยมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งมี ความตั้งใจเป็นกุศลเรียวกว่ามีฉันทะในการที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนอกจากจะเป็นไปด้วยศรัทธาของท่านทั้งหลายเองแล้ว<ม>ก็พร้อมด้วยความสนับสนุนจาก บิดามารดาและท่านผู้ใหญ่ผู้มีความรักความเมตตาท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีความปรารถนาดีก็อยากจะให้ได้มาผทสมบตในศาสนาซึ่งมีความหมายทั้งในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีมีความหมายในแง่ความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อแม่บุพการีกับบุตรของตนกับทั้งมีความหมายสำหรับแต่ละบุคคลที่เข้ามาขอบวชคือการที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าการบวชเรียนการบวชเรียนนี้ก็กลายเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยแสดงถึงการที่พระพุทธศาสนา ได้ฝังรากลึกลงไปประดิษถานวั่นคงในประเทศไทยนี้การบวชมีความหมายสําคัญคู่กับการเรียนเราจึงเรียกว่าบวชเรียนคือบวชเพื่อเรียนและการบวชก็เป็นการเรียนเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเรียนกันตั้งแต่ บ, บัดนี้เลย คื่พอมาขอบรรพชาก็เริ่มเรียนทันทีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจความหมายและการความมุ่งหมายของการบวชว่าถึงความมุ่งหมายในการบวชของเรานี้พอจะสรุปได้เป็นสี่อย่างอย่างที่หนึ่งการบวชนี้ เป็นการทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ว่าทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็คือเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทถือกันว่าเรามีหน้าที่ที่จะช่วยกันรักษาสืบต่ออายุศาสนาให้ยั่งยืนเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นดารงอยู่ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ทำให้สังคมของเรามีศีลธรรมมีความร่มเย็นเป็นสุขเราก็เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของศาสนาเรานับถือศาสนาเราอยากให้ศาสนาดารงอยู่เราอาจจะอุปถัมภ์บำรุงต่างๆอยู่ข้างนอกเช่นถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์เป็นต้นแต่นั่นก็ยังไม่เต็มที่ ถ้าเราได้เข้ามาบวชเราก็ได้มาประพฤติธปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในตัวเองให้พระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในตัวของเราเลยโดยการเล่าเรียนทรงจำรู้เข้าใจและประพฤติธปฏิบัติเมื่อไรพรพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราโดยเราประพฤติธปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าเราเอาชีวิตของเราในรักษาพระศาสนาไว้ตราบใดที่ชีวิตของเราอยู่พุทธศาสนาก็อยู่ด้วยเพราะว่าพุทธศาสนานั้นกลายเป็นเนื้อเป็นตัวของเราด้วยการรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัตินิท่านทั้งหลายนี้เข้ามาบวชก็จะได้เล่าเรียนได้ปฏิบัติแล้วก็ยังได้มาอยู่ในสงฆ์ซึ่ง เป็นจะเรียกว่าสถาบันที่รักษาพระศาสนาไว้กราบใดที่มีสงฆ์พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่เพราะถือว่าสงฆ์นี่แม้จะเป็นสมมติสงฆ์ก็นับเนื่องเข้าในพระรันตนใจเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เข้ามาบวชอย่างนี้เป็นการทำหน้าที่ ของพุทธบริษัทที่จะรักษาสืบต่อยุปรศาสนาก็เป็นบุญเป็นกุศลที่สําคัญประการที่หนึ่งต่อไปประการที่สองการบวชนี้มีความหมายว่าเป็นการทําหน้าที่ของคนไทยหรือกุลบุตรชาวไทยทําไมจึงว่าเป็นการทําหน้าที่ของคนไทยก็เพราะว่า เราถือว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสมบัติของชาติไทยเป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้ดึกษารักษากันสืบต่อมาตัวพระพุทธศาสนานเองก็เป็นสมบัติที่ล้ําค่าอยู่แล้วเพราะว่ามีคําสอนที่เป็นสัจธรรมเป็นอมตะก็เป็นสิ่งมีค่าในตัวนอกจากนั้นพระพุทธศาสนานยัางเป็น บอกเกิดเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยเขาเราตั้งแต่ภาษาที่ใช้สื่อสารมีภาษาทางภาษาพระภาษาบาลีตลอดไปเจอทั้งสันสกฤตเนี่ยเข้ามาใช้กันมากมายแล้วก็ออกมาทางวัฒนธรรมทางด้านวัตถุเช่นพวกศิลปกรรมต่างๆอีกมากมาย ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมีอารยธรรมเราก็ถือว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสมบัติสำคัญของชาติเราจะต้องช่วยกันรักษาไว้การที่ท่านทั้งหลายมาบวชนี่ก็เป็นการทำหน้าที่นี้อย่างหนึ่งด้วยก็คือทำหน้าที่ของคนไทยที่จะรักษาพระพุทธศาสนานที่เป็นสมบัติอันล้าค่าของชาติไว้ต่อไปประการที่สาม การบวชมีความหมายแคบเข้ามาโดยมีความผูกพันกับบุพการีถือกันว่าการบวชนี้เป็นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่นั้นรักลูกมากก็อยากจะให้ลูกเนี้ยได้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญลูกก็ถือว่าพ่อแม่มีพระคุณมาก ก็มีหลักธรรมสอนให้กระตันยูกระตะเวทีให้ตอบแทนพระคุณของท่านทำไมจึงถือว่าการบวชเป็นการตอบแทนพระคุณก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าพ่อแม่นั้นฝากความสุขความทุกข์ไว้กับลูกมากมายถ้าลูกมีความสุขความเจริญประพฤติดีพ่อแม่ก็มีความสุข ด้วยถ้าลูกประพฤติไม่ดีเป็นที่หนักใจพ่อแม่นั่นแหละก็เป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในเมื่อพ่อแม่ฝากสุขและทุกข์ไว้กับลูกอย่างนี้ลูกที่ดีก็ต้องพยายามทำให้พ่อแม่มีความสุขมีความสบายใจไม่หนักใจกับเราได้มองเห็นเราด้วยความปลื้มใจและมีความหวัง นิการที่พ่อแม่จะมีความสุขมีความหวังอย่างนี้ได้ก็ด้วยเห็นลูกอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรมีคุณธรรมแล้วก็มีความเจริญงอกงามมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขถ้าพ่อแม่เห็นลูก ดีงามมีความสุขความเจริญอย่างนี้พ่อแม่ก็มีความสุขลูกไม่ต้องทําอะไรก็ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ในตัวอันนี้การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ก็เลยจะขอขยายว่าเราอาจจะสรุปได้สามอย่างคือหนึ่งก็เลี้ยงท่านในทางกายในวัตถุอย่างที่เห็นง่ายๆเช่นว่าเลี้ยงได้อาหารเลี้ยงได้ปัจจัยสี่ต่างๆ เวลาท่านแก่เท่าลงเราอาจจะช่วยเหลือท่านในเรื่องวัตถุปัจจัยสี่สิ่งอำนวยความสะดวกสบายอันนั้นเป็นด้านหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่ท่านยังแข็งแรงบางทีท่านเป็นฝ่ายเลี้ยงเราท่านเป็นฝ่ายเลี้ยงเราก่อนก็มีวิธีตอบแทนพระคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงทางใจเลี้ยงใจนี่เป็นเลี้ยงสําคัญเลี้ยงใจก็คือว่าให้ใจของท่านน่ย สบายมีความสุขเห็นลูกแล้วก็ปลื้มใจนอย่างน้อยก็ไม่หนักใจก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเราประพฤติตัวดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำการงานมีความสุขความเจริญนั่นก็เป็นการเลี้ยงใจพ่อแม่แหละทำให้พ่อแม่มีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ประการที่สาม ลูกตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดแก่พ่อแม่โดยการให้สิ่งที่ประเสริฐแก่ชีวิตของท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าถึงลูกจะเอาพ่อแม่มาขึ้นบาประครบประโงมเลี้ยงดูตลอดชีวิตอย่างดีที่สุดก็ยังไม่ชื่อตอบแทนพระคุณของท่านแต่ลูกคนใด ถ้าหากพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาทำให้ท่านมีศรัทธาได้พ่อแม่ไม่มีศีลทำให้พ่อแม่มีศีลได้พ่อแม่ไม่มีจากะไม่มีความเสียสละไม่ช่วยเหลือบาเพ็ญประโยชน์ลูกก็ทำให้พ่อแม่มีจากะเป็นคนเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ได้ พ่อแม่ไม่มีปัญญาลูกก็ช่วยหาทางเกื้อหนุนให้ท่านมีปัญญาขึ้นได้เช่นมีความปัญญารู้ธรรมะเข้าใจหลักพระศาสนาหันมาประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบโดยวิธีโน้มนำท่านอย่างใดอย่างหนึ่งโดยวิธีที่เหมาะสมอย่างนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูงเพราะอะไรเราจะมีค่าเท่ากับธรรมะ เกิดมาทั้งถีนี้ถ้าได้ธรรมะอย่างที่ว่าได้ศรัทธาสีสุตตะจากข้าปัญญาชีวิตก็กลายเป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐก็เท่ากับให้สิ่งประเสริฐแก่พ่อแม่การที่ลูกบวชเนี่ยนอกจากเลี้ยงใจพ่อแม่แล้วก็โน้มนําให้พ่อแม่เข้ามาใกล้ชิดพระธศาสนาเราถือกันว่าการที่ลูกบวชเนี่ยได้ช่วยให้พ่อแม่เป็นญาติของพระธศาสนา อันนี้ก็มีเรื่องสืบต่อมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโสกมหาราชพระเจ้าโสกมหาราชที่ว่าเป็นมหากษัตย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในประเทศต่างๆรวมทั้งดินแดนสวนภูมิของเราด้วยพระเจ้าโสกได้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนามากมายสร้างวัดถึง8 4 0 0 0ัวัด ทั่วดินแดนชมพูทวีปที่กว้างใหญ่ซึ่งก็อินเดียสมัยนั้นก็ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยนี้ก็ยังเล็กกว่าอันนี้พระเจ้าโศกได้อุปถัมภารุ่งพุทศาสนามากมายมาวันหนึ่งก็เลยได้ถามพระมหาเถระชื่อโมคขาลีบุตรจิสเศระว่าที่โยมได้อุปถัมภารุงพระศาสนามามากมายเนี้ย โยมก็อยากจะได้เป็นญาติของพระศาสนาได้เป็นศาสนทายาตที่โยมทรมามากมายด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าสละทุนทรัพย์มหาศาลเนี่ยโยมได้เป็นญาติของพระศาสนาหรือยังได้เป็นศาสนทายาตหรือยังพระโมคคิรบุตริสเถระก็ตอบว่าอย่างเราคิดดูพระเจ้าโศกมหาราชทรงได้สดับ พระเถระคงจะพระไทยท้อลงไปทีเดียวแต่พระเจ้าโศกก็ไม่ได้ทรงทอดถอยก็ได้ถามตอบไปว่าเอาแล้วทำยังไงโยมถึงจะได้เชื่อเป็นาศาสนาถ่า ย, ยาตพระโมคคลีบุตรสุเสถระซึ่งเป็นประธานพระสงฆ์สมัยนั้นก็ได้ตอบแก่ พระเจ้าโศกมหาราชว่าถ้าหกว่าท่านผู้ใดได้มีบุตรธิดาเข้าไปบวชในพระศาสนาท่านผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นศาสนาถายาตพระเจ้าโศกมหาราชก็จึงทรงพิจารณาและปรึกษาก็มีพระโอรสพระธิดาว่าเออจะมีใครพร้อมใจจะบวชบ้างไหม ก็พอดีมีโอรสธิดาที่อยากจะบวชอยู่แล้วรอขอพระบรมราชานุญาตคือเจ้าชายมหินทัก์กับเจ้าหญิงสังคมิตตาทั้งสองท่านก็เลยได้โอกาสก็ขออาสาสมัครขอบวชในพระศาสนาจึงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าโสมหาราชเข้ามาบรรพชาผสมบด คือเจ้าชายมหินทะก็เป็นพระมหินทเทระเป็นพระภิกษุส่วนพระราชธิดาชื่อสังคมิตาก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณีชื่อว่าพระสังคมิตตาเถรีแล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้มาปรฏิสฐานพุทธศาสนาในหลังกาหรือในศีหลังกาปัจจุบันคือพระมหินทเทระก็นำคณะสงฆ์มา ตั้งปฏิสถานพระศาสนาเผยแผ่คำสอนของพุทธเจ้าที่ลังกาทวีป พ, พระสังฆมิตราเทรีก็เข้ามาตั้งภิกษุณีสงฆ์พร้อมทั้งนำเอากิ่งต้นพระศีมหาโพจากที่พุทธกยาที่ตรัสรู้นั้นมาปฏิสถานให้แก่ชาวลังกาทวีปต้นโพต้นนี้เดี๋ยวนี้ยังอยู่ เป็นต้นโพที่มีอายุสอง0เท่าไหร่2 2 0 0กว่าปี 2,300 กว่าปีแก่มากและต้องใช้ไม้ที่เขาประดับอย่างดีแล้วก็มาคำ้ำมาค้ำเกินไว้อยู่ที่เมืองอนุราธัปุระในหนังสือระหว่างประเทศพวกฝรั่งเขาลงไว้ว่าเป็นต้นไม้ปรวัติศาสตร์ที่อายุยาวนานที่สุดของโลกนี่คือต้นโพที่อนุราธัปุระมาจาก พุทธกยาที่ตรัสรู้อันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องเก่าหรือเป็นประวัติศาสตร์แลาไม่ใช่แค่ตำนานเราก็เลยมีประเพณีกันมาว่าให้ลูกได้บวชแล้วจะได้เป็นศาสนธายาิการที่ได้เป็นศาสนทายาทเนี่ยเราก็มองในแง่ของคติสืบกันมาแต่ความหมายที่สำคัญก็คือว่า เมื่อลูกบวชพ่อแม่ก็ได้ใกล้ชิดพระศาสนาแต่ก่อนนี้เคยมีภารกิจมากมายวุ่นวายไม่มีเวลาไปวัดอย่าว่าแต่ไปวัดเลยบางทีไม่มีเวลาจะคิดถึงวัดเลยแต่พอลูกบวชเพราะความที่รักลูกเนี่ยตอนนี้ละใจตามลูกหละไปอยู่ที่วัดแหละใจไปอยู่กับลูกก็ไปอยู่กับพระด้วยเพราะตอนนี้ลูกกับพระเป็นคนเดียวกัน คิดถึงโลกก็คือคิดถึงพระพอคิดถึงพระใจก็ตามพระไปอยู่ที่วัดอันนี้ตอนนี้พระท่านจะทาอะไรเนาะกำลังจะไปบิณฑบาตเราก็ได้ตักบาตรหรือว่าพระท่านไปทำวัดสวดมนต์พระท่านทากิจวัตรโนนนี้โยมก็ใจนึกถึงอยู่เรื่อยใจก็เลยมาอยู่กับวัดพอใจอยู่กับวัดก็น้อมมาหาธรรมะ นี้ตัวเองก็ได้ตักบาตรบ้างได้มาวัดถวายพระตาหาได้ใกล้ชิดพระสงฆ์ได้มารับบรรยากาศของวัดได้ฟังธรรมเลยบางทีได้เกิดความสนใจฝ่ายธรรมะลูกก็เลยกลายเป็นสื่อที่ช่วยโน้มนำพ่อแม่เข้ามาหาธรรมะแต่ก่อนนี้มีประเพณีว่าเวลาลูกบวชก็จะต้องจัดให้ลูกเนี่ยไปเทศให้ โยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องฟังสักครั้งหนึ่งลูกก็จะได้เตรียมตัวค้นคว้าเต็มที่โยมพ่อโยมแม่ก็ได้ตั้งใจชวนญาติมิตรมาฟังธรรมะกันเนี่ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้โยมและญาติพี่น้องปู่ญาติตายายนยได้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนาและในโอกาสที่บวชเนี่ยก็ทาหน้าที่ต่อโยมพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ปู่ญาติตายายเป็นต้นได้ ถ้ามีความตั้งใจดีก็พยายามโน้มนำให้ท่านเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดพระศาสนาให้มีจิตใจโน้มมาทางธรรมะให้ได้เรียนรู้เข้าใจพระศาสนาเพิ่มขึ้นก็เป็นประโยชน์เป็นการตอบแทนพระคุณที่สำคัญตามที่พระพเจ้าเจ้าตรัสไว้อันนี้ก็เรียกว่าทำให้โยมเนี่ยได้เป็นญาติของพระศาสนาก็คือได้ใกล้ชิดเข้ามาอยู่ในวงในของพระศาสนาเลยแล้วก็ข้อสาคัญก็คือว่า แต่แล้วเวลาที่บวชอยู่นะ่ะถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายได้เห็นได้นึกขึ้นมาก็มีความปลื้มปิติตลอดเวลาเห็นลูกโหมจีวรมาบินธบาตได้ตักบาตรแล้วก็ปลื้มใจมีความสุขมาวัดก็มีความสุขก็ขอให้ตั้งใจว่าที่บวชเนี่ยบวชเพื่อโยมด้วยนะถ้าเราตั้งใจอย่างนี้เราก็ต้องคิดว่าเราจะทาให้ดีที่สุด เพื่อให้โยมได้บุญมากที่สุดให้โยมได้ความสุขให้โยมได้ความปลื้มใจมากที่สุดตลอดจนญาติพี่น้องทุกคนแหละเนี่ยถ้าตั้งใจอย่างนี้แล้วการบวชก็จะเกิดผลดีกับตนเองด้วยเป็นบุญวิกรสนทั้งสองฝ่ายเอาละทีนี้ก็ต่อไปนั่นเป็นวัตถุประสงค์หรือความหมายข้อที่สต่อไปข้อที่สีคราวนี้แคบเข้ามาอีกก็มาถึงตัวเองแหละ ข้อที่สนี้ก็การบวชก็คือเป็นการได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้ฝึกตนในพระธรรมวิ น, นัยการที่ท่านทั้งหลายมาบวชนี่มองในแง่หนึ่งก็เหมือนการสละเวลาส่วนหนึ่งให้แก่พุทศาสนาอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเราทําหน้าที่พุทธบริษัทให้เวลาแก่พุทศาสนามารักษาพุทศาสนาแต่ที่จริงนั้นมองอีกทีก็คือการให้โอกาสกับตัวเอง การให้โอกาสกับตัวเองที่จะมาฝึกฝนตนเองในทางศีลบ้างในทางสมาธิในทางจิตใจในทางปัญญาได้เรียนรู้คำสอนพศาสนาได้ศึกษาปฏิบัติต่างๆเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะฝึกตนนั้นในที่สุดก็มาอยู่ที่ตนเองจะมีโอกาสเรียนรู้พระธรรมวินัยนี้ถ้าหากว่าทำหน้าที่ในข้อที่4คือหน้าที่ต่อตนเองได้แล้วเนี่ย ก็จะได้ความหมายและ ว, วัตถุปสง์สามข้อต้นไปเองด้วยเพราะว่าสามข้อต้นนั้นในที่สุดก็มารวมอยู่ที่ข้อที่สนี่เองความจริงนั้นเราทำให้กับตัวเองคนเดียวแหละผลที่สุดได้แั่ทุกข้อเลยพอตัวเองตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีศึกษาเล่าเรียนเป็นพระที่ดีมีความรู้ธรรมวินัยดีแล้วเนี่ยอา้าวข้อหนึ่งก็ได้ทาหน้าที่ของ พุทธศาสนาชนรักษาศา ส, สนาก็ได้ไปเองในตัว 2. องทำหน้าที่ของคนไทยรักษารมรดกของชาติก็ได้ไปเองในตัวด้วยการที่เราปฏิบัติตัวดีข้อที่ 3. ามทำหน้าที่ต่อโยมพ่อแม่ผู้ญาติตายายบุปการีก็ได้ไปในตัวเพราะว่าเราเป็นพระที่ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีอย่างที่ว่าโยมก็ได้ปลื้มใจมีปิติมีความสุขได้บุญได้กุศลไปด้วย นั้นในที่สุดก็มารวมที่ข้อ4เนี่ยก็เลยมาลงที่ว่าข้อบวชเรียนนั่นเองตัวเองบวชเรียนแล้วก็ได้ประโยชน์ครบถ้วนตามความหมายความมุ่งหมายของการบวชทั้ง4ี่ข้อนั้นตอนนี้เราจะบวชเราก็ต้องเข้าใจความมุ่งหมายและถ้าเราเข้าใจความมุ่งหมายดีเราก็ตั้งใจถูกทางพอตั้งใจถูกทางการบวชก็จะได้ผลดี คือมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์และทําให้เกิดความตั้งใจจริงพอมีความตั้งใจจริงการประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นความสําเร็จดังนั้นก็ขอให้ได้เข้าใจตระหนักในความมุ่งหมายของการบวชทั้ง4ประการนี้ต่อจากนี้ไปก็จะได้มาเรียนเข้าใจเรื่องความหมายของตัวการบวชอีกทีหนึ่ง ว่าถึงการบวชเรียนของเรานี่เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานคนไทยเราอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรามีประเพณีนี้เท่ากับว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการที่พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาแน่นแฟ้นอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเรามีประเพณีบวชเรียนที่คนไทยทุกหมู่เหล่าเข้ามาบวชเหมือนกันหมดตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงลูกชาวบ้าน การบวชนี้ก็เป็นเครื่องประสานให้คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการที่เรามาบวชอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อมาจากองค์พระมหากษัตย์เพราะตามประวัติศาสตร์เท่าที่เราทราบนั้นก็ว่าการที่มีโยมเข้าไปบวชพระช่วงคราวเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยก็คือพระมหาธรรมราชาลิธไทย ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากก็ศึกษาธรรมมาแล้วทราหนึ่งก็ทรงมีพระราชศรธรรมมากก็เลยเสด็จออกพ น, นวดก็ไปพ น, นวดที่วัดชื่อว่าวัดอรัญจิกในกรุงสุโ ข, ข ท, ทัยติสสารกัจจารึกว้ว่านั่นเป็นพศ1904นี่เรื่องที่พระเจ้าลิไทยจะบวชนี่ ก็มีเรื่องสืบมาอีกว่าพระองค์ได้ทรงระลึกถึงพระมหาธรรมราชาพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นเองมีเรื่องว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชก็เคยทรงบวชแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ว่ายังตีความกันอยู่แต่เราถือกันว่าคนไทยเราเนี่ยมีประเพณีนี้สืบเนื่องไปสัมพันธ์กับเรื่องพระเจ้าอาโศกมหาราชด้วยก็คือว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ย ได้ทรงให้ได้โปรดให้เขียนศิลาจารึกไว้ศิลาจารึกอยู่แห่งหนึ่งนะัมีข้อความบอกว่านับเป็นเวลาได้สองปีครึ่งแล้วที่ข้าได้เป็นอุบาสกแต่ก็ยังไม่ได้ทำความภาคเพียรจริงจังเลยแล้วก็เป็นเวลาอีกหนึ่งปีเศษแล้วที่ข้าได้เข้าสู่สงฆ์ นับแต่เวลานั้นมาข้าจึงได้ทำความภาคเพียรอย่างจรงจิงจังอันนี้อยู่ในสิลาจารึกพระเจ้าโสกอันนี้ข้อความในเนี้บอกว่าเข้าสู่สงค์คำว่าเข้าสู่สง์เนี่ยเป็นคำที่ทำให้ต้องตีความเพราะตัวคำไม่ชัดไม่ได้บอกว่าอุปสมบททีนี้ข้างต้นมีคำว่าข้าได้เป็นอุบาสกมาสองปีครึ่งแล้ว นี่มาเข้าสู่สงฆ์จึงได้เอาจิงเอาจังเอกก็ถ้าเป็นอุบาสกแล้วมาเข้าสู่สงฆ์ก็ต้องบวชสินก็เลยตีความกันว่าทรงพ น, นวดแต่บางท่านก็ยังไม่ยอมรับว่าบวชแต่เอาละก็มีศิลาจารึกมีความไว้ว่าอย่างนี้เราก็ฟังกันไว้ให้เห็นว่าพระเจ้าโศกเนี่ยทรงเลื่อามใสศรัทธามากในพระเจ้าโศกมหาราชได เข้าสู่สงนี่ก็พอสอประมาณสองสคือพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพอสอ8แล้วก็ยกทัพไปเที่ยวุกรานตีเมืองโน้นเมืองนี้8ปีจนถึงปีที่แดก็ไปตีแควน้นกะลิงคะทำให้คนล้มตายเป็นแสนพระเจ้าโศกมหาราชก็ทรงสลดพระไทย แล้วก็มาเลื่อมใสคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มาเป็นอุบาสกอันนี้218มาทำสงครามอีก8ปีจึงมานับถือพุทธศาสนาก็เข้าไปพศสอ6แล้วเป็นอุบาสก2ปีครึ่งก็228ปีครึ่งแล้วมาเข้าสู่สงฆ์อีปีเศก็ตีสแลก็ได้ส3 0้ปี อันนี้แหละประมาณพศ2 3ง า, า230พระเจ้าโศกมหาราชก็ได้ส่งเข้าสู่สงฆ์อย่างที่กล่าวแล้วอันนี้ก็เป็นคติที่ทำให้อาจจะเกิดประเพณีการบวชที่เริ่มต้นจากองค์พระหมหากษัตริย์ในประเทศไทยคือพระมหาธรรมราชาลิไทยนี้ต่อมาสมัยยุทธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโล ก, กนานถะซึ่งเป็นมหาราชพระองค์หนึ่ง ก็ทรงเลื่อมใสในพระบทธศาสนามากถึงกสรสละราชสมบัติออกพนวดโชคคลาวแปดเดือนที่วัดชื่อจุลามณีแล้วก็ทรงให้พระราชโอรสพระราชนัดดามาบวชเนนอีกอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของประเพณีบวชเรียนในประเทศไทยต่อแต่นั้นตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์มาจนถึงชาวบ้านทั่วไปก็พากันถือประเพณีบวชเรียน การสืบมาอย่างในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงผนวดเมื่อพศ .2499 อันนี้ก็เป็นประเพณีสืบต่อมาพวกเราที่มาบวชนี่ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของคนไทยอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องที่มีความหมาย สำคัญอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีแต่อย่างที่กล่าวแล้วว่าข้อสำคัญก็อยู่ที่ตัวท่านเองที่ว่าในที่สุดก็เป็นการทำหน้าที่ต่อตัวเองในการที่ได้ศึกษาก็คือบวชเรียนนี้ก็มาศึกษาความหมายของคำว่าบวชกันนิดหนึ่งคำว่าบวชเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีภาษาบาลีก็ปะวัชะหรือปอวอชเนี่ยปวชก็ เวลาเอามาเป็นไทยก็ปอก็แผงเป็นบอก็อ่านว่าบวชบวชนี่ก็คำเดียวก็คำว่าบรัญชาเป็นยังไงบวชนี่มีความหมายว่าเว้นปลีกตัวออกไปเว้นปลีกตัวออกไปจากอะไรหนึ่งก็สิ่งที่เป็นบาปอากุศลหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่จะทำให้ชักจูงจิตใจไปในทางที่ไม่ดี เราก็ปรีกตัวออกมาจากสิ่งที่เสียหายหรืออย่างถ้าสังคมมีอบายามุกมากมีสิ่งชั่วร้ายมากการบวชนี่ก็เป็นการเว้นการละการสละการปรีกตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นทำให้ไกลออกไปอันนี้ก็ประการหนึ่งประการที่สองก็ปลีกตัวออกมาเว้นละออกมาจากความสับสนวุ่นวายอย่างสังคมสมัยนี้ผู้คนจอแจพลุกพล่านไม่ได้มีความสงบเราก็สละละเว้น ออกมาจากความวุ่นวายนั้นมาอยู่กับบรรยากาศที่วิเวกสงบสงัดสงัดกายแล้วก็สงัดใจโน้มจิตไปสู่ความวิเวกที่จะได้ปฏิบัติระเพณเพียรทางจิตใจเช่นทำสมาธิให้ได้ผลยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเว้นปลีกตัวออกมาจากเครื่องพลุงพลังห่วงกังวลทั้งหลาย เช่นวัตถุสิ่งของครอบครองต่างๆมีกันเกิดขึ้นมานานเข้ากับสะสมกันไว้มากมายพระบูตรก็ละเว้นมาสถียงทําตัวให้โล่งให้โปรง่งในการเว้นการปลีกตัวมานี้โปร่งโล่งอย่างนี้ก็ต้องทําใจให้โล่งตามอย่าไปห่วงกังวลเพราะนั้นการบวตนี้สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องทําตัวเองให้เป็นอิสระมีจิตใจที่รู้สึกว่าปลอดโปรง่งโล่งเบาจริงๆ แต่ว่าความเป็นอิสระนี้ไม่ใช่เพื่อจะได้ไปทำอะไรตามชอบใจความเป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งเบานี้ก็เพื่อเปิดโอกาสกับชีวิตของเราให้เวลากับชีวิตที่จะได้มาศึกษาเพิ่มเติมได้มาฝึกฝนได้มาพัฒนาชีวิตในทางที่ดีงามเพราะแต่ก่อนนี้วัฏจัวรวุ่นวายกับเรื่องทุกอย่างแต่ละวันละวันนี้ไม่มีเวลาที่จะให้โอกาสกับชีวิตตอนนี้เราก็ให้โอกาสกับชีวิต ที่จะมาฝึกฝนตนในพระธรรมวินัยตามคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นนี่ก็เป็นความหมายของการบัตรประชาพนันการบัตรประชาเราได้โอกาสแล้วก็มาเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าให้สมกับการที่ว่าเป็นการบวชเรียนนี่การที่บวชเรียนอย่างนี้เวลาเราบวชเนี่ย ตอนแรกการบวชก็มีสมัยแรกในพุทธการก็อย่างเดียวคือพอบวชเข้ามาก็บวชเป็นพระภิกษุไปเลยตอนพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาใหม่ๆต่อมามีพระอยู่กันมากคณะสงฆ์ขยายใหญ่โตขึ้นก็ต้องมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นพุทธเจ้าก็จัดสรรระบบของสงฆ์เนี่ยให้มีวินัยมีการจัด ลำดับขั้นตอนอะไรต่างๆวิถีชีวิตให้เป็นระเบียบเป็นระบบมากขึ้นการบวชในปัจจุบันนี้ก็เลยแบ่งเป็นสองตอนคือบวชเนนอย่างหนึ่งบวชพระอย่างหนึ่งบวชเนนเรียกว่าบรรพชาคำว่าบรรปชาที่ได้กล่าวคำขอเมื่อกี้บอกว่าปรัชชังเทเทเมบันเตขอให้ท่านให้บรรพชาแก่ข้าพเจ้าเนี่ยหมายถึงให้การบวชเป็นเนรก่อน นี้บวชเป็นเนนแล้วท่านทั้งหลายยังไม่พอใจอยังประสงค์จะบวชให้สมบูรณ์เป็นพระภิกษุก็ต้องมีคุณสมบัติเช่นว่ามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เป็นต้นแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆพร้อมเมื่อมีคุณสมบัติอื่นพร้อมก็ถือวมีสิทธิ์ที่สมัครขอบวชได้อันนี้เมื่อคณะสงฆ์ยอมรับก็เป็นการบวชเป็นพระภิกษุเรียกว่าอุปสมบทตเพราะนั้นการบวชปัจจุบันเนี้ยก็ต้องแบ่งเป็นสองขั้นตอน คือบวชเป็นเณรเรียกว่าบรรพชาและบวชเป็นพระภิกษุเรียกว่าอุปสมบทสำหรับท่านที่จะบวชเป็นพระภิกษุนั้นก็ต้องผ่านการบวชเณรก่อนการบวชเณรก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นต้องบรรพชาจากนั้นเมื่อบรรพชาเป็นเณรแล้วก็จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ต่อไปเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เข้ามามีวิถีชีวิตอยู่ในวัดเป็นพระเป็นเณรการเป็นพระเป็นเณร การที่จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามในการเรียนอย่างที่บอกก็บวชเรียนนั้นก็ต้องอาศัยหลักมีหลักที่จะช่วยหลักนั้นมีอะไรบ้างหลักสําคัญของผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวิ น, นัยก็คือต้องอาศัยพระ ร, รัตนตรัยพระรัตนตรัยนั้นเป็นเครื่องนําทางเราเป็นหลักยึดถือให้แก่เรา ที่จะพาเราให้เดินหน้าไปในพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าจเจริญ ง, งอกงามในพระธรรมวินัยได้เหมือนกับว่าตอนนี้เราจะโดยสารพระรัตนตรัยไปแล้วสรณะนี่ในความหมายหนึ่งก็เหมือนกับโดยสารเราจะอาศัยพระรัตนตรัยไปกับท่านและให้ท่านพาไป น, นี้พระรัตนตรัยนี่เราก็ต้องเข้าใจความหมายว่าท่านจะมาพาเราไปอย่างไรตอนแรกก็ถือว่าพระรัตนตรัยนี้ก็คือเป็นรัตนะสามอย่าง รัตนะก็คือสิ่งที่มีค่าที่ว่าเป็นพวกแก้วแก้วในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแก้วน้ำแต่หมายถึงแก้วเพชรดินจินดาเป็นต้นน่ที่เป็นรัตนะที่เป็นนบพระรัะรตรนะต่างๆเนี่ยสิ่งมีค่าคนก็ถือกันอันนี้สิ่งมีค่าเนี่ยจะเป็นเพชรดินจินดาก็ตามเนี่ยก็เป็นมีค่าโดยสมมติ เรายึดถือกันตกลงกันว่ามีราขาทันตนีแต่ที่จริงนะเอาเข้อจริงนั้นมันมีค่าไม่แท้เพราะว่ามันไม่เกิดผลต่อชีวิตของเราแท้จริงไม่ช่วยให้ชีวิตเจริญงอกงามแท้จริงไม่ช่วยชีวิตประเสริฐแท้จริงแม้แต่กินก็ไม่ได้นะลองเราไปติดเกาะสิลองเรือล่มแล้วไปติดเกาะมีเพชรตั้งกระสอบหนึ่งกินไม่ได้เลยใช่ไหมสู้ข้าวจานเดียวก็ไม่ได้เนะี่ยว่ฉะนั้น แอดเฟซอะไรต่างๆที่ว่ามีค่าเนี่ยมันมีค่าโดยสมมติกันเท่านั้นเองมันไม่มีค่าแท้จริงอันี้อะไรที่มีค่าสิ่งที่มีค่าแท้จริงก็ต้องทําให้ชีวิตของเราดีงามประเสริฐขึ้นได้นี่พัตนาใจเนี่ยเป็นแหล่งของความดีงามความดีงามที่สําคัญมีสองอย่างคือปัญญากับปุญยังนะปัญญาก็คือความรู้เข้าใจปุญยังก็คือความดีหรือบุญ ความรู้และความดีงามเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าแท้จริงมีค่าง่ายๆอย่างที่ว่าอย่างทรัพย์สินเงินทองภายนอกที่มีค่าเนี่ยง่ายๆก็คือว่าเราต้องมีภาระต้องเก็บต้องถือต้องแบกต้องหามต้องหง่ต้องกังวลแต่ว่าทรัพย์ที่มีค่าคือความรู้และความดีงามเนี่ยมันไม่ต้องแบกต้องหามอยู่ในตัวเราเราไปไหนก็ไปเอง แล้วก็ใครลักไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าข้างนอกนั้นโจนลักได้แต่ว่าความรู้และความดีงามเนี่ยไม่มีใครลักไปได้แต่ที่สําคัญก็คือว่าทรัพย์ภายนอกยิ่งใช้ยิ่งหมดยิ่งใช้ยิ่งเปลืองมีแสนหนึ่งใช้5 0,000 หรือห 0,000 ่นใช้อีก25งหมืห้ารือสองหม่าใช่ไปใช้มาหรือศูแต่ว่าทรัพย์ภายในคุณสิ่งที่มีค่าความรู้และความดีงามเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม ความรู้เราไปใช้ไปสอนไปบอกคนอื่นเราก็ยิ่งรู้มากขึ้นยิ่งชำนาญใจความดีงามเหมือนกันเราทำความดีงามความดีงามนั้นยิ่งมากขึ้นชีวิตของเรายิ่งดีมากขึ้นอันนั้นคุณสิ่งมีค่าแท้จริงซับภายในเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มใช้ไม่หมดแต่ที่สำคัญก็คือว่าซับภายนอกมันทาให้ชีวิตของเราดีงามประเสริฐไม่ได้ ทำให้เรามีความสุขแท้จริงไม่ได้แต่ความรู้ปัญญาความดีงามบุญกุศลเนี่ยทำให้เรามีชีวิตดีงามประเสริฐแท้จริงในที่สุดพ้นจากทุกได้ด้วยเนพราะนั้นผู้ที่ฉลาดเนี่ยจึงต้องสะสมทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกมีแต่ไม่มีทรัพย์ภายในไม่มีความรู้ไม่มีความดีเนี่ยจริงใช่จริงหมดไปที่มีอยู่ก็ใช้หมด ที่ไม่มีก็หาเพิ่มไม่ได้เพราะว่าไม่มีความรู้ไม่มีความดีแต่คนที่มีทรัพย์ภายในมีความรู้และมีปัญญามีความดีมีความขยันหมั่นเพียรทรัพย์ภายนอกที่มีอยู่แล้วก็รักษาได้และทำให้เพิ่มขึ้นทรัพย์ภายนอกที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นได้พระพุทธเจ้ากัดว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์คนที่มีปัญญาไม่มีทรัพย์ก็หาทรัพย์ได้ แต่คนมีทรัพย์ไม่มีปรรัญญาทรัพย์ที่มีอยู่รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นทรัพย์ภายในสําคัญที่สุดและพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นแหล่งที่จะให้ทรัพย์ภายในจึงมีค่าอย่างแท้จริงนี่เราก็มาดูว่าพระรัตนตรัยจะช่วยเราอย่างไรเราก็โดยสารไปกับท่านโดยศารก็หนึ่งก็พระพุทธเจ้านี่ท่านมาช่วยเราอย่างไรท่านมามาช่วยแบบทำให้แบบบันดาลให้พุทธศาสนานี่ไม่เอาเรื่องการโดนบรรดาล แต่พระพุทธเจ้ามาช่วยให้ปัญญาแกเราเนหนึ่งก็พระองค์ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าอ๋อพระองค์นี่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งในแต่ก่อนเนี่ยเดิมพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อย่างเราแต่เพราะพระองค์เนี่ยฝึกฝนพระองค์เองอย่างที่เราเรียกว่าบรเพณบารมีพระองค์ไม่มีความเข้มแข็งเสียสละ มีความตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ก็บำเพ็ญความดีฝึกตนจนกระทั่งมีปัญญาตรัสรู้ได้นะเพราะฉะนั้นเรานี่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และมนุษย์เนี่ยจะดีจะประเสริฐได้โดยการฝึกไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นอยู่ได้เดินสัญชาตญาณมันเกิดมาแล้วมันไม่ต้องเรียนต้องรู้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เดินได้กินได้แล้วมันก็ไปตามเรื่องของมันเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นแต่คนเรานี่ทุกอย่าง จะกินจะนอนจะนั่งจะดื่มจะขับถ่ายจะพูดจะเดินต้องฝึกทั้งนั้นถ้าไม่ฝึกแล้วไม่เป็นเลยอยู่ไม่รอดท่านั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกแล้วถ้าฝึกแล้วจะประเสริฐถ้าไม่ฝึกแล้วแย่ที่สุดกว่าสัตว์ชนิดใดอื่นเพราะว่าไม่เรียนรู้และอยู่ไม่ได้ตายไม่รอดท่านั้นเราก็ต้องใช้หลักนี้ทีนี้มนุษย์เนี่ยถ้าฝึกแล้วประเสริฐเป็นมหาบุรุษได้ สร้างวัฒนธรรมอารยธรรมได้ทำสร้างเป็นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเทคโนโลยีทําประดิษฐ์ต่างๆได้จนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าได้มนุษย์เนี่ยสำเร็จด้วยการฝึกเพราะนั้นมนุษย์มีตัวอย่างก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงฝึกพระองค์จนสูงสุดประเสริฐสุดเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งพระพุทธเจ้าเป็นแบบว่าเออเรานี่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเราจะมีชีวิตที่ดีต้องฝึกนี ถ้าเราไม่ยอมหยุดในการฝึกและชีวิตของเราจะประเสริฐเราก็ศึกษาเรื่อยไปแล้วก็ได้พระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามีความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นที่ระลึกเตือนใจเราเนี่ยเราจะพยายามฝึกตนให้ดีให้มีคุณความดีคุณสมบัติอย่างที่พพุทธเจ้าได้สอนเราให้เป็นอย่างพระองค์นะแล้วพอเราเระลึกพระพุทธเจ้าไว้เป็นแบบ แล้วเราก็มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็เราก็ต้องรู้สํานึกในหน้าที่ว่าเป็นมนุษย์นี่จะเอาดีได้ก็ ด, กด้การฝึกหรือการศึกษานะอย่ามัวประมาทอย่ามัวปล่อยตัวปล่อยเวลาไปนะตั้งใจศึกษาปฏิบัติเล่าเรียนแล้วเราได้เปรียบพระธเจ้านี่ต้องค้นพบเองพระองค์ต้องลองผิดลองถูกเพียพรพยายามลำบากนักหนะากว่า จ, จะสําเร็จ พระองค์พอสำเร็จแล้วพระองค์ก็ประมวลประสบการณ์ของพระองค์ที่ได้บรรลุธรรมนะเอามาวางเป็นหลักให้เราเราก็ได้บทเรียนสําเร็จรูปง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเยอะแยะเลยเนี่ยนั้นเราได้ประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้เปรียบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ก้าวไปในการฝึกแต่การที่เราจะฝึกฝนพัฒนาตนได้สําเร็จก้าวหน้าไปได้ดีเนี่ยจะทําไงอันนี้แล้วก็มาถึงพระรัตนตรัยข้อที่สอง พระพุทธเจ้าก็นําเราต่อไปถึงข้อที่2ข้อที่2คืออะไรก็คือว่าพอราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ฝึกพระองค์มาบําเพ็ญบารมีจนเป็นพระพุทธเจ้าได้ประเสริฐสูงสุดอย่างเนี้ยพระองค์ประเสริฐได้อย่างไรก็เพราะตรัสรู้ธรรมพระองค์ปฏิบัติตามธรรมะรู้แจ้งธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมะคือความจริงมันก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้น พระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาค้นพบความจริงนี้ด้วยพระปัญญาขาองค์แล้วก็เอามาสั่งสอนเปิดเผยให้พวกเรานี้พวกเราจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องรู้เข้าใจธรรมะแล้วเอาธรรมะมาปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาตินั้นคือธรรมะนี่ก็คือความจริงตามธรรมดาธรรมชาติถ้าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเราก็ปฏิบัติไม่ถูกพอเรารู้ความจริงเราปฏิบัติได้ถูกชีวิตของเราก็ดีงามเราก็ มีความเป็นอิสระทําอะไรก็สําเร็จนะไม่ติดขัดเพราะว่าถ้าเรไม่รู้นี่มันหมดอิสระภาพทันทีมันติดตันทันทีเลยพอเราเจออะไรเราไม่รู้นี่ตันเกิดปัญหาเป็นความทุกข์ทันทีอึดอัดพอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะทํำยังไงเราก็โล่งเป็นอิสระ น, นั้นปัญญานี่เป็นสิ่งสำคัญและปัญญาก็รู้ตัวธรรมะคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย ถ้ารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นเช่นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเเราต้องการผลอย่างนี้ต้องทําเหตุปัจจัยอะไรศึกษาแล้วทาเหตุปัจจัยให้ถูกต้องอันนั้นก็เรียกว่าทำให้ถูกต้องตามธรรมผลก็เกิดขึ้นอันนี้พราะฉะนั้นพระพทธเจ้าก็มาเตือนใจเราแล้วนําเราเข้าสู่พระธรรมบอกว่าเออเธอจะฝึกตนได้สําเร็จประเสริฐได้เนี่ยก็ต้องรู้ธรรมะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะ เราก็มาถึงธรรมะก็ธรรมะก็มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้แกเราเป็นข้อสาคัญที่จะต้องศึกษาให้รู้เข้าใจปฏิบัติให้ถูกต้องยิ่งคืนไปยิ่งรู้เท่าไรเราก็ยิ่งทำได้ถูกต้องยิ่งดียิ่งประสบความสำเร็จยิ่งมีความสุขความเจริญงอกงามเท่านั้นแต่ทีนี้ธรรมะเสร็จแล้วก็บอกว่าอ้าวทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ย ธรรมะจะมาถึงเราหนึ่งอาศัยพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ามาอยู่ต้องมีคนที่รับสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้ามาช่วยนํามาให้เรานี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วและพระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยมาถึงเราได้ยังไงก็อาศัยพระสงฆ์และอีกอย่างหนึ่งก็คือพระสงฆ์นอกจากนํามาถึงเราแล้วท่านยังมาเป็นกาลยานามิตรมีเมตตากรุณามาช่วยแนะนําสั่งสอนเราเนีเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวรู้ธรรมะรู้ก็ไม่ ทั่วถึงรู้ไม่พอหรือบางทีไม่รู้เลยเรรู้แล้วบางทีไม่มีกําลังใจปฏิบัติก็ อ, อาศัยสิ่งแวดล้อมก็คือชุมชนสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ด้วยกันที่อยู่ในวัดว า, ารามพระสงฆ์ท่านเป็นกาลยานามิตรมาช่วยเป็นบรรยากาศแวดล้อมมีวินัยอยู่ด้วยกันในระเบียบก็อยู่กันเป็นชุมชนที่ดีมีเมตตากรุณาก็มาช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อการสั่งสอนการเป็นอุปช า, าจารย์เป็นต้นตลอดจนเป็นเพื่อนสัทธันมิก ก็ช่วยเกื้อนหนุนแก่กันในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหนนะ้าเราก็อาศัยสงฆ์เนี่ยเป็นเครื่องช่วยเกื้อนหนุนเราให้เจริญงอกงามในการปฏิบัติธรรมเจนกระทั่งเราเองก็ไปเป็นส่วนร่วมเป็นสมาชิกของสงฆ์ไปด้วยนั่นก็จบนันก็ตกลงว่านี่คือหลักาศาสนาถ้าหว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีไปด้วยตามธรรมะเราพลอยร่วมเป็นสงฆ์ด้วยเราก็ช่วยมีส่วนสร้างสังคมที่ดีงามสังขะก็คือสังคมที่ดีงามเป็นอุดมคติ จะเป็นสังคมของอารยชนเป็นคนที่ดีประเสริฐไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความดีงามและความสงบสุขมีความเจริญที่แท้จริงนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยสร้างสังฆะนี้ด้วยอย่างสร้างสังฆะเข้าร่วมเป็นสังฆะได้ไม่ได้ก็ช่วยอุปถัมสังฆะนีแต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยก็ได้อาศัยสังฆะเนี่ยทำให้เราเจริญงอกงามในธรรมะนี่ก็คือพระธรรตรัยก็ครบ เป็นอันว่าสามอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสาพระสงฆ์พระพุทธเจ้ า, า, าเาตือนใจเราให้ระลึกถึงตัวเองว่าเราเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วจะดีจะรอดจะประเสริฐไม่ได้นั้นถ้าเราตั้งใจฝึกจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้ก็ให้มีกำลังใจและตระหนักในหน้าที่พอว่าจะฝึกอย่างพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นแบบก็นำเขาสู่ธรรมะ ก็ต้องรู้ธรรมะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะแล้วก็อาศัยสังฆสงฆ์นี่มาเกื้อนหนุนไปได้วยกัน mm hmm. ก็จะเลื่องอกงามแล้วก็ถ้าทําได้ให้สังฆานี้ขยายไป mm hmm. ก็จะเป็นสังคมที่ดีงามไปทั่วทั้งโลกนี่ก็เป็นเรื่องของหลักของพุทธศาสนาพระจันทร์ใจพอรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็มาสู่หน้าที่ของเราก็คือการบวชเรียน mm hmm. ก็จะได้พูดต่อไปตอนนี้ก็เอาว่า จะเข้าสู่การบรรพชาก็รู้ความหมายของการบวชและก็รู้หลักที่เราจะต้องอาศัยในการที่จะศึกษาปฏิบัติต่ตอไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะได้เข้าสู่การบรรพชาต่อไปแล้วต่อแต่นี้ไปเพื่อจะให้การบรรพชาแก่นักท่านทั้งหลายเมื่อบวชแล้วเนี่ย เข้ามาอยู่ในวัดก็มีวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งเริ่มต้นยังไม่ได้เรียนด้วยรู้อะไรพอมาบวชเปลี่ยนวิถีชีวิตทันทีบางทีตั้งหลักไม่ทันท่านก็เลยบอกว่าให้มีหลักที่จะช่วยใจให้ทำใจได้ก่อนอะไรท่านก็บอกว่าเออเข้ามาวัดและบางทีบวชใหม่ๆนี่ถ้าเป็นคนที่ใจชอบสงบสงัดก็ดีหรอกแต่บางทีใจไม่คุ้นเคยนี่ ก็จะดิ้นรนฟุง้งซ่านใจก็จะออกจากวัดไปไปโน่นไปนี่ท่านก็เลยบอกต้องหางานให้ใจทำซะท่านก็เลยบอกว่าให้พระอุปชาเนะี่ยให้กรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการทำงานหมายถึงงานที่ใจจะทำหางานให้ใจทำทีนี้งานอะไรใจทำดีคนที่มาบวชใหม่หมเดียมากใจออกไปนอกวัดจะไปคึกถึงคนโน่นคนนี้คนที่ชอบบ้างคนที่ชังบ้าง พอคิดถึงคนน่นคนนี้แล้วใจก็วุ่นวายกรรมฐานก็จะให้ตรงกันก็คือให้กรรมฐานที่ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากคือพอคิดถึงคนนี่มองเป็นผมคนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองเนี่ยพอนึกถึงใครคนหนึ่งก็ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยหยุดเท่านั้นเองเนี่ยพอ n ึกถึงใครก็ผมคนเล็บฟันหนังจบนีคนเราเนี่ยเห็นกันแค่ผมคนเล็บฟันหนังเท่านั้นนี่พอบอกว่าผมคนเล็บฟันหนังก็ ตัดตอนไปเลยนีท่านก็ให้เป็นภาษาบาลีท่านเรียกว่ามูลกละกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานชั้นมูลหรือกรรมฐานเบื้องต้นกรรมฐานเบื้องต้นหรือกรรมฐานชั้นมูลเนี่ยก็มีห้าข้อด้วยกันว่าเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นไทยอย่างที่บอกเมื่อกี้กผมคนเล็บฟันนัง น, นี่ท่านให้ว่าเป็นภาษาบาลีว่าผมก็คือเกสาขนก็คือโลมาเล็บก็คือนักขา ฟันก็ทันตาหนังก็ตัโจก็ว่าไปตามลาดับอย่างนี้นี่ว่าไปตามลาดับเกสาโลมานขาทันตาตัโจบางทีว่าคล่องไปใจไปอื่นซะแล้วปากคล่องใจไม่อยู่ก็เลยท่านบอกให้ว่าย้อนย้อนลาดับซะบ้างจะได้ว่ายากขึ้นใจจะได้ตั้งใจก็ให้ว่าย้อนเกสาโลมานขาทันตาตัโจย้อนกลับก็เป็นตัโจทันตานาโลมาเกสาตอนนี้ก็จะให้ฝึกว่า ก็วาดตามก่อนตอนแรกวาดตามลําดับเรียกว่าวาดโดยอนุโลมเกษาโลมาณขาทันตาตะโจอันนี้วาดตามลําดับทีนี้วาดย้อนลําดับเรียกว่าโดยปฏิโลมตะโจทันตาณขาโลมาเกษาก็จําไว้อย่างนี้เรียกว่ามูลกรรมฐานงานที่ให้ใจทําเวลาอยู่ว่างๆไม่มีกิจวัตรไม่มีงานอื่นทํำก็ อาจจะนั่งว่าในใจถึงแม้ไม่ไดนึกถึงใครก็ว่าไปเฉยๆเพียงแต่เป็นคำสับถ้อยคำใจว่าไปก็ทำให้จิตเป็นสมาธิได้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นแต่ถ้าใจเกิดฟุ้งซ่านก็อย่างที่ว่าแล้วมองคนก็มองแค่เป็นผมคนเล็บฟันหนังก็จบเท่านั้นนะก็เอาเป็นเครื่องสำหรับฝึกใจในเบื้องต้นก็ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะได้เล่าเรียนอื่นต่อไป ันนี้ก็ถือว่าน่าพร้อมแล้วที่จะได้รับการบรรพชาก็จะมอบผ้ากาศสาวพัชให้ไป